ما كان الله ل ي د ر َ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ي ِ ي ز ل الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ي ج ت ب ي من ر س ُ ل ه م ن يشاء. ใช่ว่าลอสจะทรงทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพระองค์จะส่งจำแนกอยู่ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้นและใช่ว่าลอสจะทรงให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับก็หาไม่ แต่าว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่พรงทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพรงดังนั้นพวกเจ้าจงศรัท ธ, ธาต่ออัลลอ์และบรรดารอซูลของโพรงเถอะและหากพวกเจ้าศรัท ธ, ธาและยำเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ คำบรรดาพูดติดตรณีในสิ่งที่อัลลอฮได้ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า มันเป็นการดีแก่พวกเขาหากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรรนีมันไว้ในวันกิยามาันและสําหรับอัลลอฮ์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา แล้วด <internation aram> ิ <friendships> ้นสัมย์อัลล ن ฮ ا ل ว่ลัลที่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น ق ัน่นน่นอนั่นนั่นนท่นนั่นนนนั่นนั่นนั่นนั่น่่นน่า่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 ل ل นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้กว่อนและแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้อาจทมาแก่พวงเบาทั้งหลาย الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم ف ل م َ قتلتمهم إنكن صادقين บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรสลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่เราซึ่งสิ่งพลีแด่อัลลอฮ์อย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงได้มีบรรดารูลก่อนจากฉันได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วย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 ซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจบนบรรดาคำพีซาบูนและคำพีที่ให้แสงสว่างมาด้วยคุณนั้นเสียดายที่ล้มาุกว่าอินน์มาตัวฟ้าวนอุจูระุมยุ่มยิ้มในวิญามะฟัมันซุูพซีพันในนารีวอุดิลัลจันนท์ที่ฟ้าด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 ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์ที่หลอกลวงเท่านั้นแล้วตบเลื่อนในอํานาจของคุณและตัวคุณแล้วَะได้ยินจากผู้ที่อ่าน ا ัَภีร์ก่อนคุณและผู้ทีَอ่านคัมภีร์َาก่อนคุณِ้าคุณอดทนและกลัวพระเจ้านั่นคือค ن ามยากลำบา แน่นอนยิง่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพสมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิง่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคำเพียก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาขีขึ้นแกะวรอซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมายและหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم จุอ <ت> ย <ص> า <في> ก <ق> คิดเป็นันขาดว่า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 และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอินน์ฟีล ل ق สี่สิ่งและอัลบา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 พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยปราบประโยชน์พระองค์ท่านทรงมหาบริรสุทธิ์โปรดทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถินน ด, ด ه, อโอ้พระพูยบปนมารของพวกเราแท้จริง ผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เขา้าไฟนรกแน so like ่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้วและสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นรับบนาอินนาสมำญนามุนาดียีมนาดียมสำญนามุนาดียีมนาดีลิลอีมานอันอามินูบิรับบิคุมฟาอัมนนา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 ى ي โอ้พระผู้บาลาของพวกเราขอได้โปรดประทานแก่พวกเราสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเราโดยผ่านบรรดาหอดสูลของพระองค์และโปรดอย่าได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลยแท้จริงพระองค์ท่านนั้นไม่ทรงผิดสัญญา فاستجاب لهم ربهم أ ن ي لا أضيع عمل ع ا م ل ٍ منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذي َ ه ج ر و ا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي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 และร้อนนั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่งณที่ปรมุ ر ر อย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเมืองหลวงเจ้าได้เป็นอันขาดมันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานมันจางเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริงๆแ ต, ต, ต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าของตนมีสวรรค์ที่อยู่ใต้ น, น, น้ำทีมม่ไหลลงสู่ทดเล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 ดียิง่งสำหรับคนดีทั้งหลายว่าอินน์มินอเหลล์ลกิตาบิลไม่ยุเอมุบิลลาฮิวมาอันซิลเอเลยุมวมาอันซิลเอเลห์มข้าชัยน์ข้าชัยนล์ลิลลาฮิลายัชัตรูน์บิอายาติลลาฮิธมันนกัลีล่าอูลัยค์ละห์มัจรุฮ์มอินิดรับฮิม อและแท้จริงในหมู่ชาวคัมภีนั้นผู้มีศรัทธาต่อหลอและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้อมต่อหลอโดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การของหลอกับราคาเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขานะ พระผู้อวยบานของพวกเขาถ้าจริงอลนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระ ก, การสอบสน وا, วนออบัดาันผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดนและพึงยำเกรงอลอเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ